ไปเราก็จะได้ฟังธรรมก็การฟังธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ตามก็ล้วนแต่เป็น การชำระจิตให้ข่ารอบและก็เป็นหนทางแห่งความไม่ประมาทการทาให้รู้ภาวนาให้เห็นถ้าสองอย่างนี้เราเข้าใจแล้ว การภาวนาก็จะมีมรรคผลได้เร็วอย่างการฟังธรรมให้รู้อย่างน้อยพวกเราเองก็ได้รู้ถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไตรลักษณ์อย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างไร เราเองก็จะรู้การภาวนาก็เพื่อให้เห็นเห็นความจริงภายในจิตของตัวเราเองว่าจิตของเราเป็นอย่างไรเรากำหนดดูได้ งบุนวยเย็นหรือว่าร้อนสุขหรือทุกข์กุศลหรืออกุศลมืดหรือสว่างเป็นบุญหรือเป็นบาปคุณหรือใสใจของเรา เ, เราสามารถ กำหนดให้เห็นสภาวะภายในคือใจของเราเองเพอผู้ภาวนากำหนดได้เรารู้ว่าจิตของเราเน่มีสภาวะอย่างนี้อยู่ทมที่รู้มา เ, เราก็เอามา ขัดเกลาอย่างไรชำระจิตอย่างไรเราก็ต้องฝึกฝนตรงนั้นวิธีฝึกฝนจิตใจเนี่ยก็ต้องอาศัยการอบรมจิตบ่อยๆอย่างเช่นพวกเรามีกรรมฉันทะมากๆพอใจอยู่ในกรร ม, มคุณ เราก็ต้องแก้ทำอย่างไรไม่ให้เรามีความมากๆอยู่ในกรรมมาขุดกรรมฐานข้อนี้บางทีเขาบอกว่าให้เอาอาสุภะมาพิจารณาแทนเพื่อละความกำหนัด บางทีเราไปติดในรูป ส, สวยๆไงก็ใช้อสุภกรรมฐานมานั่งกาหนดคือสิ่งที่ไม่สวยงามร่างกายที่เน่าเปื่อยให้กาหนดเป็นเนื้อเอ็นใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าก็กาหนดดู บางองค์บางรูปท่านก็ได้ผลด้านนะอย่างเรื่องวาสนากรรมฐานอสมภาในในบรรดาพระอรหันต์ที่มียัศะแล้วก็เพื่อนของยัศะกุลบุตรพร้อมทั้งบริวารอีกรวมแล้วก็ห0สิบ ส่วนมากก็ได้จากอาสุภะสัญญากรรมฐานก็ในชาติก่อ น, ก, อนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำชาปนากิจศพเอาศพของผู้ตายที่ไร่ญาติก็เอามาที่ป่าช้าแล้วก็มาเผาในระหว่างที่เผาก็ได เกิดในกุศลธรรมขึ้นได้เพ่งมองเห็นเป็นอสุภะทำให้จิตเกิดความรู้ถึงสรีระว่าแท้ที่จริงก็ไม่ได้สวยงามอะไร เป็นของเน่าเหมน็นเป็นของเน่าเปื่อยเป็นสิ่งที่ผุพองพอเกิดมาในชาติเป็นบุตรแห่งเศรษฐีมีนามว่ายัศะก็เกิดความเบื่อนหน่ายในอัตภาพที่ตนได้อยู่ทั้งๆ ท, ง ท, งที่พรัง่งพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้า ไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสใจถูกต้องธรรมารมณ์ทั้งน้อยใหญ่ก็รู้สึกเบื่อนหน่ายเดินออกมารู้สึกว่ามันวุ่นวายชีวิตนี่บอกเออ บุญเก่าวาสนาบารมีเวลาส่งเสริมแล้วสิ่งที่เราได้สั่งสมไว้แต่บางก่อนจิตที่เห็นแจ้งภายในจิตก็เกิดปรากฏเห็นเป็นอสุภสสัญญาไม่ได้หลงความสวยงามในเรือนร่างในรูปโฉมในรูปทรงน้อยใหญ่ ในรถในการสัมผัสทั้งหลายสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์ยศานี้บรรลุง่ายฟังธรรมสองครั้งเองครั้งแรกก็โซดาปฏิผลฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องเหนื่อยเลยเฮยมดูสิจิตที่เห็นแจ้งแล้วมีวาสนาเดิมมาบวกกับปัญญาที่รู้ทมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอรวมกันรู้เห็นแจ้งจิตก็เข้าถึงธรรมะ อันบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสน้อยใหญ่กรรมฉันทะถึงคราวพินาศย่อยยับไม่สามารถมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในกามได้ยัะจะจึงหลุดพ้นจากวังวนแห่งกรรมคุณทุกน้อยทุกใหญ่นี่คืออานิสงส์ แท น, นหลายคนยังอยู่ในนิวรนิวรก็ดึงรัดมัดใจของสัตว์ให้ติดอยู่บางคนก็ยังทุกอยู่กับกรรมคุณยังติดอกติดใจอยู่ในรูปที่สวยในเสียงที่ไพเราะ ในรถแห่งการสัมผัสรถแห่งธรรมรมทั้งหลายติดใจติดใจเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าทุกใจเท่านั้นทุกใจเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าดิ้นรนมากเท่านั้นดิ้นรนมากเท่าไหร่วุญนวายเท่านั้น บอเออบางคนก็มีใจพยาบาทที่เรียกว่าพยาปาทะมีความคิดผูกใจเจ็บอาฆาตคิดร้ายหวังที่จะต้องทำลายให้ได้ในวันใดวันหนึ่งอย่างนี้นอนก็ไม่เป็นสุข ตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นสุขไฟนอกน้ำดับสารเคมีดับแต่ไฟในใจไม่มีอะไรดับได้โดยเฉพาะคำว่าทะเลิงแคนติด ไม่มีดับติดอยู่ตลอดทั้งกลางคืนกลางวันติดเป็นแรมปีละหลายปีจนข้ามภพชาติฉะนั้นผู้ที่กำหนดพอเห็นแจ้งจิตแล้วว่าเรายังมีความพยายามบผูกใจเจ็บอยู่ต้องสลายมันถ้าไม่สลายมันมันก็จะ ทิมแทงเราไปทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายชีวิตคนนี้เกิดมาเพื่อล้างแค้นเกิดมาเพื่อแก้แค้นเกิดมาเพื่อทําลายอีกฝ่ายนะ <c oughs> เวลาจบก็ไม่สวยไม่จริงให้ศัตรูตายแล้วบอกว่า ความแค้นยุติไม่ใช่ใจเราเองต่างหากที่ยุติเราไปฝังใจว่าถ้าเขาตายเท่านั้นเรื่องจะจบจริงๆเขาก็ตายเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่สักสิบปีสิบห้าปียี่สิบปี เขาก็ต้องตายอยู่แล้วเพื่อนก็ตายศัตรูก็ตายไม่ต้องฆ่าหรอกโยมบทภาวนาบทนี้วิธีแก้ต้องใช้คำว่าอภัยอภัยทานบวกกับเมตตาโยมพูดเป็นไม่ก็ว่ายกโทษให้อโหสิกรรมให้ นั่นคือการดับและแผ่เมตตาจิตวังให้สรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมเกิดแก่เจ็บตายจงอยู่กันเป็นสุขอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและ ก, กันเลยอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันเลยให้มีความสุขกายสุขใจพ้นจากภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด เรามิทำลายแต่มีใจที่ปรารถนาดีเพื่อให้เขาได้มีความสุขข้อนี้โยมจะต้องฝึกกำว่าจิตรู้จักกำวมอภัยทานทานตรงนี้ไม่ใช่ทานวัตถุสิ่งของแต่ทานด้วยจิต เพื่อละความแค้นความถือโทษโกรธจริงอยู่เขาทําเราถ้าพูดกันโดยเหตุผลเขาผิดร้อยเปอร์เซ็นสมมติว่าโยมพอแก้แค้นศัตรูคนนี้ตายศัตรูเขาก็มีลูกมีเมีย แล้วลูกของศัตรูก็บอกว่าเราในฆ่าพ่อเขาฆ่าพี่ฆ่าน้องเขาเขาก็โกรธแค้นและเขาก็ต้องมาแก้กแค้นอีกแล้วเมื่อไหร่ความแค้นจะยุติพอทางโน้ฆ่าเราเสร็จพอเราตายลูกหลานฝ่ายเราอีกก็มันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องแค้นนี้ไม่สามารถจะอยู่ ร่วมโลกกันได้ไม่สามารถจะอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันได้ก็ต้องฆ่าพอฆ่าฝ่ายโนู ก, ก็มีลูกมีพี่มีน้องอีกก็โกรธแค้นว่าทำลายแล้วเมื่อไหร่จะจบมันไม่จบ จบได้ก็ต้องอภัยทานถือว่าทำบุญครั้งใหญ่เข้าชมบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยต้องเป็นบุญที่อภัยทานถ้าโยไม่รู้จักทำบุญคำนี้จิตจะไม่มีทางบรรลุคุณธรรมขั้นสูงได้ เพราะบาปตราบใดยังอยู่ในใจใจนั้นยังไม่สงบและใจที่มีบาปย่อมร้อนจะเย็นไม่ได้สงบไม่ลงเพราะปลงไม่ได้ปลงไม่ได้จึงเย็นไม่เป็นมันก็เกี่ยวกันหมดถ้กบอกแล้วเมื่อไหร่จะจบ ฆ่ากันไปฆ่ากันมาต่างก็มีพี่มีน้องก็เจ็บแค้นกันตอกคนรุ่นหลังทําไมต้องมารับกรรมด้วยเขาไม่รู้เลยว่ารุ่นเก่าแก่ผิดใจกันหมังนเวินกันให้ร้ายกันเบียดเบียนกันคดโกงกันแย่งชิงกันเข็นฆ่ากันแล้วทําไมต้องให้รุ่นลูกหลานต้องมารับรู้ด้วย โยมไม่ใช่แต่ทำร้ายตัวเองทำลายอีกฝานหนึ่งโยมยังทำลายลูกหลานสกุลตัวเองเขาน่าจะมีสุขแล้วแต่โยมบอกว่าความแค้นยิ่งใหญ่อภัยกันไม่ได้ถ้าพ่อแก้แค้นไม่สำเร็จลูกให้รับช่วงต่อ มันเหมือนมร ด, ดกแห่งบาปนะครับธรมาไม่เอามร ด, ดกอย่างนี้ไม่เอาของพ่อของแม่ของพี่ของน้องก็งไม่เอาเอาเองเลยกันธรมาไม่สนชีวิตไม่ใช่เกิดมาเพื่อสิ่งที่ไร้สาระแล้วมาถือยึดมั่นหมายกันว่าแม่มันเป็นสาระ ทีแทบจุดหมายเพื่อให้เขาตายโถโถโถโถโถออีก 30-20 ปีก็ตายจริงบอกโถโถโถนี่ยังไงก็ตายอดใจอีกหน่อยกรรมวิบากมีจริงโยมเราอย่าไปตัดสินเลย ไม่รู้ว่าเราไปละเมิดกันมาแต่ชาติไหนกันก็ไม่รู้อบภัยได้ก็อภัยเสียโยทิ้งดาบทิ้งมีดใจก็เป็นพุทธะโยไม่จำเป็นใจเป็นพุทธะก็สำเร็จได้ถ้าโยไม่ทิ้งมีดทิ้งดาบที่จะต้องฆ่ากัน บวชไปร้อยชาติเหมือนไม่ได้บวชโกลหัวแตกกายห่มเหลืองแต่กายแต่งเพียงชุดนักบวชใจไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่คน้นคว้าไม่ได้รับรสแห่งธรรมเลยเหมือนไม่ได้บวชไม่ได้บวชเลย อยู่วัดแต่ใจอยู่ข้างนอกเพื่อฆ่าไม่ใช่ฉะนั้นพระท่านก็บอกว่าอาภัยได้ก็อภั ย, ยว้ไว้ชีวิตได้ก็ไว้กันอย่าไปเก่น์ฆ่าข้อนี้โยมต้องรู้จักว่าอาภัยโทษอภัยถานยกโทษ แล้วเราไม่จำเป็นต้องคบหาเขาต่างคนต่างอยู่ไม่มีบุญคุณไม่มีความแค้นยุติเจอก็เหมนไม่รู้จักกันต่างคนต่างอยู่ไปจบย0 3สิบสาสบปีไม่เราตายเขาก็ตายดีกว่ามาสร้างบาปฉะนั้นธรรมข้อนี้โยมจะข้ามได้ ต้องมีอภัยทานและมีจิตเมตตาถ้าทำไม่ได้ภาวนายังไม่เห็นจิตภาวนายังไม่แจ้งจิตภาวนายังไม่รู้จิตภาวนายังไงประตูสวรรค์ไม่เปิดจิตมันขวางเขาเรียกว่า เดราชามันเป็นมานมันขวางเดราชาเ น, นี่คือขวางที่เพราะว่าวิชามารเดรฉ า, านวิชานั่นคือขวางมรรคผลหรือขวางจากกุศลธรรมยงเคยได้ยินไหมก็กเดรฉ า, านวิชานั่นคือเป็นการขวางกั้นความดีวิชานี่ก็จะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งหรือวิชามาร คือไม่ได้ช่วยเหลือเอามาทำลายฉะนั้นโยมจิตเป็นพระหรือเป็นมารยากที่ให้ผู้อื่นตอบได้แต่โยมรู้แล้วโยมเห็นแล้วมันจบตรงนี้ ธรรมะจิงบอกเออใจรู้ใจสะอาดใจสงบใจบริสุทธิ์ต้องใช้ให้ผู้อื่นต้องรู้ใจรู้มันจบหมดทุกอย่างเจงนั้นโยผ่านได้ไหมพยาปทะ นิวรนคนนี้หลายคนชาติทั้งชาติละไม่ได้ละไม่ได้โยมเชื่อไม่วันดีคืนดีนิมิตมาปรากฏในสิ่งนี้เข้าความโกรธความแค้นปรากฏขึ้นจิตขณะนั้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ เพราะจิตของเราไม่ว่างเรายึดมั่นหมายมากพอเห็นสิ่งนี้ขึ้นมามันเหมือนคล้ายๆกับงูที่หลับงูหลับก็ดูเหมือนไม่มีพิษแต่พอมันตื่นขึ้นมามันจะฉกเอาฉะนั้นผู้ภาวนาต้องละพยาปาทะให้ได้ถ้าละไม่ได้ ไปไม่ได้ยอมดูจิตเองมีเมตตาแค่ไหนปรารถนาสปปรพสัตวชีวิตน้อยใหญ่ให้มีสุขกันเถอะไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่จองเวรกันจิตของพวกเราทำได้ไหมถ้ายังไม่ได้ มักผลถูกปิดกัน้นจมาพูดได้เลยพระพุทธเจ้าตัดนไนิวรธรรมขวางกัน้นมักผลและคุณธรรมขั้นสูงที่พวกเราไปไม่ได้ต่อให้โยมทำบุญให้ทานหมดทั้งโลกแต่ใจที่ไม่ละความแค้นความโกรธอยู่มันก็ได้แค่ทาน แต่อภัยทานให้ไม่ได้จิตมันก็ไม่ได้สูงกว่าคนเลวสักเท่าไหร่พอได้โอกาสก็ทำลายฆ่าอีกบาปก็ไม่สิ้นสุดโยมจะหยุดมันได้ต้องเอาโหสิและโยมต้องพูดด้วยนะจิตนึกถึงหน้าของศัตรู คนที่ไม่ชอบคนที่ทำให้เราบ้านแตกสารกายขาดสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียยศอำนาจเบียดเบียดครอบครัวเรานึกถึงเขาแล้วยมบอกว่าอโหสิจงเป็นสุขเป็นสุขเรายกโทษให้ให้สิ้นสุด ในชาตินี้ถ้ามีเวรกรรมอะไรก็ขอให้ยกโทษอาโหสิแล้วจงเป็นสุขเป็นสุขถ้าทำได้อย่างนี้จริงๆดิจิตโยมจะไม่มีพยาบาทะแล้วจะสูงขึ้นอีกหลายชั้นเลยจิตประตูสวรรค์นี้เปิด เพราะกุศลเกิดอกุศลดับไปจึงบอกหลายคนภาวนาไม่รู้จิตเราฝังอยู่กับสิ่งไหนเราไม่เราไม่เคยกำหนดเหตุแล้วก็ไม่รู้อยากถอนมันก็ยังฝังอยู่ข้างในใหม่ๆก็เรารู้สึกเหมือนกับให้ไม่ได้นะเสียเปรียบ ทำไม่ได้ชำระแล้วมันมันรู้สึกผิดต่อคนรุ่นเก่าจริงๆไม่ผิดไม่ผิดอยู่คนรุ่นเก่าล้วนตายแล้วตกนรกทั้งนั้นเข็นฆ่าอาฆาตกันไม่ใช่เป็นทางสุคติ เขารอส่วนบุญจากญาติหนทางที่เขาเดินเขาเดินผิดไม่ใช่เราผิดบรรพบรุษถ้ากโกรธแค้นกันมาอย่างนั้นเขาเดินผิดลูกหลานจะแก้ไขแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและยุติ สลายความแค้นทั้งหมดลูกหลานที่อยู่ต่อในรุ่นหลังๆจะไม่มีความแค้นต่อกันบาปกรรมไม่ตกมาที่ลูกหลานของเราเขาเหมือนผ้าขาวยอย่าไปย้อมให้เป็นผ้า ด, ดำนะลูกหลานพวกเราเหมือนผ้าขาว อย่าไปยออให้เขาเป็นสีดำอย่ายา้เขาต้องตกนรกเหมือนกับพวกเราเรารุ่นเก่าๆต้องโหสิแล้วก็มีเมตตาแร่ไปเราก็จะพ้นจากนิวรธรรม สิ่งที่ขวางปิดกั้นมรรคผลก็จะขวางกั้นเราไม่ได้นี่ข้อหนึ่งที่พวกเราภาวนานแล้วจิตไม่ค่อยเจริญเพราะจิตของเรายังผูกอยู่กับความพยายามบาตความโกรธเคียดแค้นชิงชัง้ อ, องอโหสิยมกำหนดดูนึกถึงหน้า คนเลวเหล่านั้นที่เคยทำเรามาแล้วนั่งมีจิตอันยิ้มบอกเราเอาหสีแล้วถ้าเราคืนผูกอยู่เราก็ตกนรกสู้ยิ้มดีกว่าแล้วก็แผ่เมตตาอีกหน่อยเขาก็ตายให้กรรมเป็นผู้ตัดสินโยมอย่าไปตัดสิน เดี๋ยวเราตัดสินหนักเกินจะเป็นกรรมของเราเองผ่านได้ก็ผ่านไปเมตตาได้ก็เมตตาไปอีกประการหนึ่งจิตที่ภาวนาแล้วไปไม่ได้เพราะอะไรยมทราบบางคนเนี่ยมีใจที่เคลือบเครมเห็นอะไรก็เคลิม้ม บางคนก็อยู่ด้วยความซึมเศร้าอีกรูปแบบหนึ่งอันนั้นเป็นบทบูที่แก้แค้นอันนี้บทซึมเศร้าอีกแบบซึมเศร้างอยเงาเศร้าซ้อยเหมือนกับยึดติดอะไรที่มันเป็นอนดีตคิดแต่เรื่องเก่า ความสุขเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆทำให้รู้สึกไม่อยากจะเดินไปสู่วันพรุ่งนี้คิดแต่วันที่ผ่านมาตรมาว่าการภาวนาอย่างนี้นไปไม่ได้ไปไม่ได้ใจที่ไปซึมเซากับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว เคลิบเคลิมอยู่กับอารมณ์จิตที่ตนเคยพอใจชอบใจและมานั่งเคลิบเคลิมอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้หรือเป็นคนสลึมสลือหลับหลับตื่นตื่นชีวิตอย่างนี้แต่มาว่ามันไม่ใช่ มันต้องแก้ไขใหม่ต้องพยายามอบรมมิปัสนาให้เยอะคือมองให้เห็นสัจจะแห่งความจริงอดีตก็คืออดีตสุขทุกข์สมหวังผิดหวังชีวิตที่ผ่านมาแล้วมันได้แค่ความจำแต่ไม่เป็นความจริงที่เราจะต้องจดจำ สิ่งนั้นว่าต้องอยู่กับเราตลอดทุกอย่างมันต้องมีจากต้องพิจารณาทรรมบ่อยๆเจอก็เพื่อจากใ่ต้องทุกข์ด้วยไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลาใ่ต้องมานั่งท่ำครวนเสยเวลากับงานนั้นด้วยฉะนั้นโยมต้องมองให้เห็นความจริง อหลอกตัวเองคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหงอยเหงาเศร้าซ้อยขดคูเนี่ยหลอกตัวเองคนเหล่านี้ถ้าโยมมีลูกหลานอย่างนี้ชอบเก็บตัวเงียบๆอยู่ในห้องเฉยๆชาชาซึมซึมเศร้าเศร้าปั๊มปั๊มเปิดเปใจเม่อลอยนั่งคอยใครอยู่มันล้นั่งจะโงกคออยงนี้ แล้วก็เล่าแต่เรื่องเดิมๆ เ, เรื่องเก่าๆจนไม่สนใจอะไรและที่อยู่รอบตัวชีวิตอย่างนี้ตายทั้งเป็นนี่คือคนตายทั้งเป็นถ้าเหมือนต้นไม้จะมาบอกต้นไม้ที่ไร้กิ่งก้านไร้ใบยืนตายซาก ความกระชุ่มกระชวยหมดความร่มเงาหมดดอกหมดผลหมดหมดแล้วฉะนั้นชีวิตต้องพลิกใหม่โยมจะต้องบอกคนเหล่านั้นว่าให้ยอมรับความจริงอะไรจะเกิดมันก็เกิดอย่าหยุดหยุดตรงนั้นเดินต่อ คนที่ล้มก็ล้มไปคนที่ล้มแล้วไม่ลุกก็ถูกเหยียบคนที่มีกำลังลุกได้ให้ลุกเดินต่อคนที่ตายก็ตายไปคนที่เกิดก็เกิดไปชะตาชีวิตมันเป็นอย่างนี้มัวต่มานั่งโทษตัวเองไม่ใช่โทษคนอื่นอยู่ก็ไม่ใช่ มาคร่ำครวญอยู่กับชีวิตที่เคยมีเคยเป็นเคยได้เคยอยู่เคยสบายบอกไม่ใช่ยงเข้าใจผิดใหญ่โตแล้วแต่มาถามคำเดียวมีอะไรที่ไม่จากเราไปเส้นผมกี่เส้นนะที่หลุดร่วงจากไปถ้าจะเสียใจเส้นผมนั้นก็น่าจะเสียใจ น่าจะเสียดายฟันกี่ซี่อยู่ในปากก็ถูกถอดถอนหลุดออกไปถ้าจะเสียใจเสียดายมันก็น่าจะต้องเสียใจอยู่ถ้าจะยึดกับมันทุกอย่างลมหายใจเข้าออกเข้าออกขออก้มันก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดยมรู้หรือไม่ ไม่พิจารณาก็แล้วแต่แต่พอมีสิ่งใดใจเราไปรู้สึกชอบมันรู้สึกอยากอยู่กับสิ่งนั้นพอใจอยู่กับสิ่งนั้นพอทุกอย่างมันตละบปัดเปลี่ยนไปชีวิตที่เคยเบิกบานร่าเริงบันเทิงกลายเป็นคนหงอยหเหงาเศร้าซ้อย ซึมเศร้าโหดขูตแตมาบอกใช้ผิดแตมาเจออยู่ค น, นเคยเล่าให้โยมฟังแล้วที่เคยไปทางเหนือทุดงไปก็เจอตำรวจอยู่ท่านหนึ่งท่านกเกษียณพลน า, าแต่ชีวิตเดิมๆ ด, ดวงตามองแล้วมันเศร้า พูดแต่เรื่องเดิมๆห้องน้ํานี่ของภรรยาห้องนอนนี้ของลูกลูกชายคนนี้เคยนอนตรงนี้นี่ห้องลูกสาวพระอาจารย์มาดูสินี่ยในห้องนี้ผมกวาดเช็ดอยู่ทุกวันผมดูแลรักษาอยู่ธรรมามองแล้วโยมพูดอยู่คนเดียวแล้วคนที่พูดไปไหนหมดแล้วจากไปหมดแล้ว หลังจากเป็นแล้วก็จากตายแต่มามองแลโยมโยมตื่นได้แล้วเคริบเคลิมทำไมมานั่งซึมเศร้าทำไมมานั่งสลุมสลือหลับหลั บ, บ, บตื่นตื่นบอกตื่นชีวิตที่ยังไม่ได้ทำมีอีกเยอะไปทำเถอะอย่าไปยึด ก, กัอดีตอดีต บางเรื่องนะบางเรื่องควรจำก็จำไว้สิ่งที่ดีๆแต่ไม่ควรไปซึมเศรา้าเศร้าส้อยกับมันและอดีตไม่ควรที่จะเก็บความเจ็บปวดไว้ปล่อยวางเสเมื่อก่อนเคยสุขอย่าให้ความสุขมาเป็นความทุกข์ในวันนี้โยไม่เข้าใจมันแล้ว สิบปีก่อนเราเคยมีความสุขกับสิ่งนี้พอมาถึงวันนี้บัดนี้ทำไมความสุขนั้นทำให้โยมเป็นทุกข์ได้สมาถามคำเดียวว่ามีปัญญาหรือเปล่าหรือโง่หรือเปล่าทำไมเราเคยสุขกับชีวิตเม 3, 4, 5, ื่อสามสี่ห้าปีหรือสิบปีก่อนแล้วทำไมวันนี้ เราจริงมาจมอยู่กับชีวิตที่เคยสุขแล้วมาซึมเศร้าแตมาว่าโยมตื่นได้ลนะตื่นมาดูความจริงแตมาเจอโยมอีกคนลูกจบวิศวะไฟฟ้าเด็กคนนี้ต้องบอกว่าดีมากเป็นที่รักของแม่และกตัญญูดีมากนะรักแม่มากโยมเชื่อว่ากลับบ้าน จากงานเสร็จซักเสื้อผ้าให้แม่เงินเดือนได้เท่าไหร่ให้แม่หมดเลยเวลาที่มีมอบให้แม่หมดทุกอย่างชีวิตที่ได้มามอบให้แม่หมดเลยแต่ยมรู้ไหมว่าชีวิตยากที่จะคาดคะเนดได้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดหรือสิ่งนี้จะเกิด พอเลิกงานลูกที่ดีวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนตายแม่ในหัวใจสลายอยู่เหมือนตายหมดทุกอย่างบ้านที่เคยสุขที่เคยสว่างปิดไฟมืด นั่งเงียบพูดอยู่คำเดียวยวงรู้ไหมลูกไม่ตายยอมรับไม่ได้ลูกไม่ตายสองปีผ่านไปยังพูดคำนี้ว่าลูกยังไม่ตายไปทำงานเดี๋ยวก็กลับมาไม่น่าเชื่อมันหลอนได้จิตใจขนาดนั้น ความจริงเขารับไม่ได้เขาจริงปฏิเสธ ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่โยมเขาก็าพามหาตะมาที่วัดป่าตรมามองแล้วก็สงสารก็ น, นึกอยู่บอกจริงๆลูกของเขาเองไม่อยากให้แม่ต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้เลยลูกอยากให้แม่มีชีวิต แล้วก็ลืมความเจ็บปวดลืมความเสียใจแต่เขาตกพวังไปแล้วชีพเหมือนอยู่ด้วยมนต์อยู่กับอดีตไม่มีใครชุดเขาขึ้นมาได้เลยถ้ามาดูแล้วพูดธรรมะก็หลายอย่างความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดายอยู่ ไม่มีใครที่ไม่ตายโยมก็ต้องตายอาตมาก็ต้องตายลูกโยมก็ต้องตายใครก็ต้องตายเขาบอกว่ลูกเขายังไม่ตายแต่มาก็คงเป็นเวรกรรมแล้วละ่ะปรดไม่ได้เขาทำกรรมอะไรมาคงพราลูกพลากเมียใครมา ชาตินี้ตัวเองอยู่กับความจำแต่ปฏิเสธความจิตโยมภาวนาแค่ไหนไม่มีสิทธิ์ถึงมรรคผลได้มันกั้นเลยนะมันกั้นถึงบอกว่าเอออดีตมันก็ผ่านไปแล้วทุกอย่างผิดถูกชั่วดี มันก็เป็นแค่บทเรียนสุขทุกข์ดีใจเสียใจมันก็แค่ชีวิตที่เข้าไปสัมผัสจิตที่รู้แล้วเราก็ต้องผ่านออกมาอีกถ้าใครหยุดอยู่มันก็เหมือนตกหล่ไปฉะนั้นโยมต้องขึ้นมาให้ได้พิจารณาธรรมะแล้วก็ยอมรับความจริงตมาไม่เคยเอาความสุข แล้วมาทำให้เกิดทุกข์ใหม่วันนั้นสุขมันก็คือสุขแต่มันสิ้นสุดมันก็ต้องสิ้นสุดโยอมอยาไปไปเปลี่ยนมันเราเปลี่ยนวันเวลาอดีตเปลี่ยนสิ่งที่เกิดใหม่เปลี่ยนสิ่งที่เกิดแล้วไม่ได้ยอมรับ พุทธเจ้าบอกไงว่าให้วางอดดีมีสติอยู่กับปัจจุบันและพิจารณาสิ่งที่ยังมาไม่ถึกอย่าไปหลงนะถ้าข้ามมันไม่ได้ทีนมิถะขอนี้เนี่ยจะยึดให้เราตกอยู่ในภพภูมิชาติจิตจะเศร้าวมวองแล้วก็ตกนรกต่อโยมต้องขึ้นนะ บัวอย่างนี้เขาก็เรียกว่าบัวใต้น้ำถึงจะสงสารแค่ไหนแต่ใจก็ไม่ควรที่จะจมอยู่กับสิ่งนั้นโยมต้องพลอขึ้นมาให้ได้หลายคนซึมเศรายมมีลูกหลานอย่างนี้ไหมตอนนี้ยังปิดห้องยิบเงียบ จากที่เด็กเคยสนุกสนานเริงร่าเบิกบานพอได้สิ่งมาเขาเรียกว่ากระทบกระเทือนใจมากๆากเขาตกผวังไปเลยเหมือนไม่อยากจะกินข้าวไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะต่อสู้อะไรอีกแล้วปล่อยผมเเผาไม่อยากจะหวีน้ําท่าไม่อยากจะอานอยากคิดว่าไม่มีนะโอ้โหเยอะมาก มีอยู่สองแบบมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือซึมเซาเก็บกดเงียบที่ติดอยู่ตกาวงแต่อีกแบบหนึ่งจะแสดงแบบออกมาให้เห็นใบไม้ร่วงกวาด เ, เงินทองเท่านั้นเงินทองของกูของกูมันจะมีอีกลักษณะ พอเจอใครก็บอกนี่ลูกฉันลูกฉันลูกแม่ลูกแมท่ทั้งทั้งที่ลูกตัวเองตายแต่ยอมรับไม่ได้จนสติฟั่นเฟือไปน่ากลัวนะตัวนี้มันแสดงแบบสติไม่สามารถควบคุมได้อั น, นี้เป็นแบบคล้ายๆแสดงออกมาเลยเจอเด็กใครอุ้มเด็กอะลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ พูดไปร้องให้ไปบางคนบอกมึงโกงกูโกงกูกงกูพูดอยู่คำเดียวเป็นบ้าไปแล้วบางคนสะดุ้งตกใจมีคนจะมาฆ่ามีคนจะมาฆ่าหรือบางคนโกรธแค้นบอกฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมีหลากหลายยมเจอหรือไม่ไม่รู้แต่สิ่งนี้มี มีบางคนก็เอาแต่นั่งร้องให้บ่นไปเรื่อยจับต้นชนปลายไม่ถูกบอกเออชีวิตอนัตใจเกิดมาชาติหนึ่งเป็นคนเสียสติรับรู้อะไรแล้วคุ้มครองจิตไม่ได้เสียใจมากไปจนเสียสติผิดหวังมากไป ตั้งความหวังเกินไปพอไม่ได้ควบคุมไม่ได้บางคนก็แสดงความหยาออกมาเลยถึงบอกเออเคริบเคลิมซึมเศร้างอยงเงาเศร้ซาซ้อยสลืมสะลือหลับหลั บ, บตื่นตื่นชีวิตเหมือนตกอยู่ในภาวะต่ว่าใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนฝันโยมชีวิตอย่างนี้โอ้โหมันทรมารและไม่รู้นะบุคคลเหล่านี้ต้องใช้กรรมอีกเท่าไหร่กุศลไม่มีโอกาสได้เจริญเลยโยมดูจิตเขาหมดแล้วมันกับตะเกียงน้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วมันกำลังจะมอด ข้อนามิธานเนี่ยมันน่ากลัวและโยมไปดูนะคนข้างบ้านเราหรือคนในบ้านเราเองบางทีมีอาการอย่างนี้พวกนี้ตกพวาชีวิตเขารับความจริงไม่ได้เขาไปยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้จิตเขาแตกสั้นไปน่ากลัวนะมันก็คล้ายๆกับอุทะจะกุกุจจะนินนวอนอีกข้อนหนึ่งบางคนนี่ฟุงซ่านแล้วก็เป็นคนที่รำคาญใจจิตใจอย่างนี้เนี่ยมัน คนฟุ้งซ่านเพราะขาดสมาธิต้องแก้นะคนฟุ้งซ่านในขาดสมาธิหรือขาดคำว่าปัญญาคือไม่รู้คำว่าความคิดคิดแค่ไหนให้มันพอแต่พอคิดไม่รู้จากคำว่าพรโอ้โหมันเกิดความฟุ้งขึ้นมา ฟุงฟ้งฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วจิตใจเนี่ยไม่มีความสุขแล้วเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตารำคาญใจโยมเห็นไหมคนที่รำคาญใจโอ้โหมันเหมือนกับไม่รับเหตุผลเลยอย่างบางคนเจ็บป่วยเนยะฟุ้งซ่านง่ายนะอารมณ์ร้อนนะจับอะไรได้ปลาเลย เวลาฟุ้งซ่านข่าได้นะแม้แต่ทั้งตัวเองและทำลายได้แม้แต่ทั้งคนอยู่รอบกายฟุงฟ้งฟุ้งซ่านรำคาญใจภาวนาไม่ได้เลยฉะนั้นโยมจะต้องแก้ก็คือพยายามฝึกใจให้มีสมาธิ จิตอันเป็นหนึ่งให้เขาฝึกไปอย่างน้อยก็ดูลมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอะไรก็ได้ให้คละจากความคิดที่มันมากเกินมาอยู่กับอารมณ์ใหม่กิจที่รำคาญฟุ้งอยู่ให้มาอยู่กับความคิดใหม่ อย่างแค้นเราภาวาพุทโธพุทโธตอนนี้บอกว่าไม่ต้องเอาความสงบนะแต่มาเอาง่ายๆให้พาวาพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรปื่อยๆให้ทาไปเรื่อยๆอย่ออกเสียงหรือว่าไม่ออกเสียงก็ตามพุทโธ ถ้าโยมดำคาญใจฟุ้งซ่านเมื่อไรแสดงว่าจิตเราสมาธินี้ออดแต่ถ้าสมาธิเราแก่กล้าจิตมันจะเป็นหนึ่งที่บอกไอความคิดจิงอยู่ยงทุกคนมีสิทธิ์จะคิดแต่ต้องมีประมาณทานก็ต้องมีประมาณ เดิมน้ำก็ต้องมีประมาณถ้ามันมากเกินมันเป็นโทษหมดทุกเรื่องเหมือนกันต้องมีประมาณความคิดพอคิดอะไรจะมาถึงบอกเออพอแล้วนะมันจะเตือนก่อนนะถ้ามันมากมันเริ่มตึงหรือว่าเริ่มเครียด พอแล้วไปนอนนอนไม่ค่อยหลับละมันตึงมันเครียดแล้วมันจิตมันจะวนมันจะวนนะคิดอะไรมากๆอยู่กับสิ่งนั้นนะ่ะเมื่อคิดไม่ตกมันจะวนไม่ดีเลยไม่ดีถึงบอกบางอย่างต้องรู้จักปรึกษาเราก็ต้องดูว่าคนปรึกษาใคร ผู้มีปัญญานักปราดบัณฑิตบางเรื่องบอกใครไม่ได้แม้แต่เพื่อนข้างตัวก็ไม่ควรพูดเพราะพูดแล้ววันหนึ่งคําพูดนั้นอาจจะกลับมาเพื่อต่อรองตัวเราเองหรือทำร้ายตัวเราเองหรือทำให้เราต้องเสียกับคําคํานั้นอย่าพูด อย่านึกว่าคนใกล้ตัวพูดได้หมดทุกเรื่องในตำมาบอกเข้าใจผิดไม่บางเรื่องเรารู้สึกกำคาญใจฟุ้งซ่านมากวางก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้ยมคิดได้ดีคนที่ยมจะพูดต้องไม่นำความเดือดร้อนมาให้กับตัวเราและคนนั้นต้องมีสติปัญญา พอสมควรมีวิธีการที่ชี้บอกเราได้พยมพูดจบแล้วเขาก็จะบอกออวิธีแก้บางอย่างอาจจะต้องแก้ด้วยตัวเราเองเยมจำไหนะ้น่ะวิธีแก้มันไม่ใช่ว่าแบบเดียวบางอย่างต้องแก้ด้วยตัวเราเองอาจจะเกิดจากใจต้องแก้ใจก่อน ถ้าเกิดจากการกระทำอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ถ้าเกิดจากคนอื่นเราควรจะระวังแบบไหนควรจะรับมืออย่างไรก็ต้องคิดก่อนและถ้าเรื่องนั้นเกิดแล้วเราควรจะแก้ไขอย่างไรถึงบอกบางอย่างยังไงยังไงมันก็ต้องเสียแต่ถ้าจะเสีย เสียอย่างไหนให้มันน้อยที่สุดจะบอกไม่เสียเลยไม่ได้เพราะเรื่องมันเกิดแล้วเสียยังไงให้มันน้อยที่สุดและให้มันจบลงได้บางครั้งก็ต้องยอมเสียเห็นไหมโยมวเออวันนี้ทรัพย์ที่มี ประโยชน์ที่ต้องใช้หามาหลายปีเพื่อใช้วันนี้เพื่อให้พ้นภัยจำเป็นใช้ต้องใช้แฟนถึงบอกเออเรื่องปัญญาเนี่ยไม่ธรรมาดาความคิดทั้งหลาย โยมต้องเข้าใจมันนะถ้าไม่เข้าใจความคิดที่มันเกินไปนะมันฆ่าตัวโยมนะแต่มารู้แล้วคิดได้ต้องวางได้ถ้าคิดแล้ววางไม่ได้คนนั้นคิดไม่เป็นรู้แล้ววางมันไม่ได้คนนี้ไม่ควรรู้เลยดัันโยมต้องฝึก ฝึกความคิดใจที่รู้ต้องสงบมันได้บางคนพอรู้อะไรนะโหใจฟุ้งซ่านรำคาญใจกินนอนไม่เป็นสุขแล้วทำไมมันวันไหวอย่างนั้นอ่อนไหวมากไปมากไปไม่สมกับเป็นผู้ภาวนา ไม่สมเลยโยมโยมไปฟังธรรมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและโยมจะรู้หลักศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นแนวชีวิตเป็นหลักของการดำเนินแต่พวกเรามองข้ามโยมรู้ไ่าปัญญาแปลว่าอะไร ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสามารถแก้ไขได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างร้ายให้บรรเทาเบาให้เสื่อมหายนี่คือปัญญาถึงบอกว่าอย่าไปเข้าใจว่าปัญญานั่งกรรมฐานรู้เพียงคำว่ารูปไม่เที่ยงบอกเข้าใจผิดแล้วนะเวลาปัญญาเกิดจริงๆเนี่ย คือรู้เหตุผลรู้สิ่งเกิดดับนะยงคิดเนี่ยมันคำนี้มันน้อยเลยรู้เหตุผลรู้สิ่งเกิดดับ mm hmm. ก็แสงว่าปัญหาที่เกิดในจะดับมันอย่างไงก็ต้องดูถึงบอกถ้าจะเจ็บบทที่เจ็บ เราต้องอดทนยังไงมันมีวิธีอีกไม่ใช่ว่าปฏิเสธความเจ็บหรือต้องเจ็บแล้วเราบอกเราทนไม่ได้บอกไม่ใช่มันมีวิธีทุกที่เกิดไม่ต้องไปกระโดดตีปงตีพายไม่ต้องตีให้น้ามันขุ่นอีกทำ ไ, ไมทุกที่เกิด ใจเราอย่าไปเกิดทุกข์กับมันให้มีสมภาพทุกข์และกำหนดมันทนได้ยากต้องอดทนและก็ฝ่าฟันมันไปเรื่อยๆพอสุดท้ายยมเข้าใจปัญญาเราก็ไม่ไปติด ก, กับตรงนั้นไม่ไปหลงนิวรทั้งหลายมันจะทำลายเราไม่ได้อีกเลยแต่ว่านี่เรามันพลาดมาแล้วโย พวกเราตอนนี้กําลังมาเรียนแก้เพราะพวกเราไปผูกก่อนแต่พอต่อไปพอเราแก้ได้เราก็ไม่ผูกเพิ่มแล้วก็สบายถึงบอกว่าหลักการภาวนานเนี่ยปัญญาขั้นสุดยอดเนี่ยทุกเกิดที่ไหนละที่นั่นโยมฟังสั้นๆแต่ใช้ได้พลิกแพลงได้ทุกรูปแบบ เอาจริงๆมันคำว่าปัญญาเนี่ยพลิกแพลงได้ไร้รูปแบบด้วยทิงบอกสุดท้ายพระเจ้าบรรลุไร้รูปไ ร, ร้รานามเข้าใจแก่นแทสัพสิงทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นนามแต่พระองค์ไม่ได้ติดมันเลยใช้มันจนถึงละขัน และไม่ทุกข์กับมันทุกข์ก็จึงดับเนี่ยสำคัญตรงนี้ถึงบอกเออพวกเราอยู่ที่รูปร่างร่าง ก, กายที่นั่งอยู่ทุกข์มันมีทุกวันทางกายก็มีทุกสภาพหนึ่งทางใจก็มีอีกสภาพหนึ่งแต่ทุกข์ทางกายนะ่มันเป็นทุกข์ระยะสั้น ทุกทางใจเป็นทุกข์ที่ยาวนานเะนันวิธีดับทุกขโยมต้องรู้ทุก์ที่เกิดแล้วใจของโยมอย่าไปเกิดกับทุกตรงนั้นอีกพึงละอะไรได้ก็จงละท้าละไม่ได้คำสอนทั้งหมดเป็นโมฆะแต่ท้าละได้ ธรรมะก็ยังอยู่ในชีวิตของเราต่อไปจนถึงความสิ้นทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานเราก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะเราก็พาวนาไปจนกว่าได้เวลา